เพือ่อที่ไม่มาขอให้มาเพื่อที่ยังไม่มาเพืที่มาแล้วให้อยู่เป็นสุขมาช่วยกันปฏิบัติธรรมเพื่อสร้างสิ่งแวนล้อมให้ต่อส่วนรวมต่อตัวเอกต่อสิ่งอื่นวัตถุอื่น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 นำออกซิเนลงไปในดินจะให้ดินมันดีแล้วก็มันก็ยังสลัดใบร่วงหล่นลงมาแต่มันเป็นปุ๋ยต้ น, นเล็กๆก็เป็นส่วนหนึ่งที่คอยคุมพื้นดินให้แห้แม่ที่กิ่งไม้แห้งๆจะมันหักหล่นลงไป ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้หวงกันการไหลเข้าของหน้าดิบ ต, ต, ต้นไม้ต้นโตโตก็เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นส่วนของต้นไม้เล็กๆที่เกื้อคูลกันเราก็เป็นส่วนหนึ่งล่ะของสังคมของชุมชนของพระพุทธศาสนาที่จะต้องสร้างอะไรให้มัน เค ย, ยดประโยชน์อะไรบ้างตามฐานะที่เราได้เกิดมาแม้แต่พระสงฆ์ภิกษุภิกษุนีที่วัดเราก็มีภิกษุณีนี่สามเณรบววีบรวบศบวาสิ ก, กาเรเป็นส่วนหนึ่งของบุรธศาสตร์ชนามากับฉิกชอบเอากัน เอางานเอาการคนเพื่แก่ผู้เท่าผู้ปานกลางผู้มีอายุเป็นปิดามันดาพ่อแม่ปัญญาสาเหลูกหลานก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราจะต้องช่วยกันคนแจ่ผู้เท่าเขาวัดเขาวาเป็นแบบอย่างให้โลกให้หลานได้เห็นถ้าไม่มีแบบอย่างไม่เอากัน ไปใครไปเราไม่มีส่วนรวมมันก็ลำบากเกิดการแตกสลายกุมชนสังคมแล้วก็โดยเฉพาะตัวปฏิบัติธรรมเนยมันเป็นอ่าส่วนรวมมันเป็นการลงตัวทำไมทุกคนมาอยู่ตรงนี้ ปฏิบัติธรรมแล้วความชั่วทำความดีเราต้องมารวมกันอยู่ตรงนี้ถ้ารวมก็ได้ตรงนี้ตลอดมิตรภาพเกิดขึ้นสันตภาพเกิดขึ้นตลอดถึงเกิดทั้งมคุฏนิพพานศาสนาพระศรีอริยเมตตาเราคนเป็นคนเดียวกันการปฏิบัติธรรมทาให้คนเป็นคนเดียวกัน เห็นเรามีสติเนี่ยทุกคนก็มีสติรู้สึกระลึกได้เราเราอยู่วัดปาสุประตูทุกคนมีสติกําลังเจริญสติกําลังยกมือช่างจังหวะกําลังเริ่นจํากงคนโน่นอยู่กตีหลังโ น, โน่โนหลังพ่ออยู่กตีหลังโน่โนหลังพี่อาจารย์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 สิ่งที่เราทำเดี่ยนี้มันทำแค่นี้แต่มันกว้างใหญ่ไปกว่าคนในประเทศไทยเรารหกสิบกว่าล้านคนทุกคนมาทำงานมาเจริญเสถียนะมันก็จะเกิดสิ่งไว้ร้องที่ดีการใช้ทรัพยากรใช้กายใช้วัตถุอะไรก็ไม่ิ้นเปื้อนะถ้าเรามีความรู้สึกตัว เราจะรู้จักรวบรวมไม่ปุ่มเพิ่อปุ่มป่วยในชีวิตและวัตถุกสิ่งของชีวิตเราก็ไม่คอยเก็บไข้ได้ป่วยไม่อภยัยถ้าไม่อาภายก็ไม่ต้อ ง, งเชินเพื่อนไปหามหมอหมอก็ต้องไม่เป็นภาระ ต, ะต่อเราจะต้องมาใช้ทรัพยากรของโลกของประเทศชาติมาเรียวยาว าการเจ็บป่วยของเราก็เยเกิดผลคอนดีขึ้นหลายอย่างแต่ถ้าเราไม่ปฏิบัติทำแล้วก็ไปกินเหล้าทุกโกแเกิดโลกไห้ไข้เจ็บพรโภคบริโภคปัจจัยเป็นสังคมบริโภคมากขึ้นไปมันก็ขึ้นเรื่อง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 เราเจ้า ก, ก็กโลกอะไรที่มันเกิดโลกเอกถึงไร้ใหญ่โลกมันเล็งแล้วก็โลกอติเหตบ <c oughs> นถนนเ่าไหไรก็ไม่รู้สิ่นเงินสิ่นทองระงานเราทองไปซื้อรถมาแล้วก็มาชนกันแล้วก็ผิดฝ้ายไว้ก็เป็นเศษเล็กไปแล้ว ในความรู้สึกตัวค่อยไปค่อยมาเดินทางก็เป็นสติรู้จึกหลกรู้สึกหลีกไม่หลีบร้อนให้เราก็หาความปลอดภัยระยกเรามีสติมันก็ยังไม่ปลอดภัยเราจะต้องไปชวนกันในลายได้โกรเจกต์สติเดินทางด้วยกันด้วยความมีความรู้สึกตัวด้วยการมีความรู้สึกตัว ทุกคนก็ปฏิบัติธรรมอยู่ก็ปลอดภัยมันจงดีคนเดียวไม่ได้จึงมาชวนกันเช่นวางครอบรัวอาจาะมนี่รักษาห้องกันยุงลายไม่มีภาชนะที่ขังน้ำนอนกลาง ม, มุ้งปลอดภัยในครอบครัวแต่ว่าบ้านข้างเคียงเรา เราไม่ได้ดูแลอะไรนอนกลางมุ่งปล่อยให้ลกูกนอนอยู่ในห้องโยงลายกัดเป็นไข้เลือดออกโยงก็มากัดเด็กน้อยไปกัดคนอื่นก็ติดกันไปจึงเป็นส่วนของสังคมพวกเราดนะ้วยอย่าทิ้งกันเถอะไปอยู่ทิศไหนทางใดประเทศไหนเมืองใดชาติประเทศเใทยเพศวัยขอให้เรามาร่วมกัน โดยเฉพอะตัวปฏิบัติทรมันเป็นส่วนรวมทำให้เกิดคุณความดีหลายๆยอย่างสิ่งแวดล้ลองความสมดุลก็เกิดขึ้นหลายอย่างเศรษฐกิจกสังคมสุขภาพก็ดีพราะเราอะไให้ใจให่ายชีวิตพุ่งเพิ่มพูนป่วย <c oughs> <c oughs> นั่นเึงเป็นสิ่งที่ ควรที่จะโคสจาและต่อกันเอาไปต่อให้คนนม้นคนนี้ไปช่วยกันเผยแผ่ช่วยกันบอกกล่าวช่วยกันปฏิบัติให้เกิดคุณภาพคุณธรรมขึ้นมาในชีวิตเราเมื่อมันเกิดคุณภาพคุณธรรมในชีวิตเราแล้วมันก็เป็นไปเองโดยตามธรรมชาติไม่ต้องมีคําสั่ง มันเป็นหน้าที่นะไปะตือรือล้นไปเองดอกมันรอได้อะไรมาคิดถึงแต่ลูกเท่านั้นสำหรับของพ่อแม่ได้อะไรมาคิดถึงลูกก่อนมันมีน้ำใจคนมีธรรมก็ฟอนกันมันมีน้ำใจมันเป็นญาติคนทั้งโลกแม้แต่เม็ดหินเม็ดดินต้นไม้มันก็ไม่เบียดเบียนมันมดมแมลงไม่ไม่เบียดเบียนดอก เพราะมันเป็นญาติกันเกิดความรักข่ว ง, งใหญ่ไพศาลไม่มีน้ำใจมันไม่ีน้ำใ จ, จการปฏิบัติธรรมเพราะใจมันดีนะถ้ามันใจดีแล้วมันก็มีอะไรดีๆไปหลายๆอยาา่างก็เกิดเมตตากรุณาเพื่อเสืส่อเพื่อแผ่ครเอง คิดจะช่วยแต่คนโน่นคิดจะช่วยแต่สิ่งโน่นสิ่งนี้คนไม่นําพอใจมันจึงให้มันมีอย่าให้มันขาดแคลนในชีวิตเราถ้าขาดแคลนเรื่องนี้ก็หลายหลยอย่างที่ต้องขาดแคลนลงไปขาดแคลนความรู้สึกตัวขาดแคลนความเมตตาตัวนาขาดแคลนคุณธรรมแล้ว ขาก็เหงือแห่งไปหลายๆอย่างไม่มีน้ำใจต่อครับไม่แต่ถ้ามันขาดใจมาว่าสามีพัญญาก็ไม่มีน้ำใจต่อครับพ่อแม่กับลูกก็ไม่มีน้ำใจต่อใครสังคมก็ไม่มีน้ำใจต่อใครปล่อยกันทพ่งทิ่งกว้างแล้วนี่กํา ล, ลังจะเกิดขึ้นได้ด้วยแล้วเคยได้ได้ยินชาวบ้านหลายคน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 เฉยอะไรก็เฉยเหมือนลูกเป็ดเห็นแม่เป็ดเหมือนลูกแมวเห็นแม่เห็นพ่อแมวก็เฉยพ่อแม่เห็นลูกก็เฉยลูกเห็นพ่อแม่ก็เฉยไม่เฉยก็ไม่ทําคนดีต่อกันถ้ามีปัญญาเห็นกันเฉยไม่ไม่ค่อยรับผิดชอบ สองสามเดือนก่อนมีคนจากจังหวัดส ต, ตูลอำเภอละงูมาปฏิบัติธรรมอยู่เดือนเดือบเดือดได้ในปัญญารรเขามาย่ยมพอปัญญามาเยี่ยมกอดไหลจับไหลปัญญาปัญญาเขอชื่นจากเพราะว่าสามีเขาไม่เคยทำแบบนั้น แสดงว่าก็มีน้ำใจกระตือรือร้นโกรธความเห็นอกเห็นใจก็มีสมัยหนึ่งสมัยหลวงพ่อยแพร่ธรรมะใหม่ใหม่สมัยปีสิบสามสิบสี่ไปสอนธรรมที่บ้านมีพี่น้องคนหนึ่งเข้ามาปฏิบัติธรรม เขาเลิกสูบบุหรี่เลิกกินเหล้าพอเขาเลิกสูบบุหรี่เขาคิดเห็นโทษบุหรี่คิดเห็นที่เขาไปเบียดเบียดภรรยาของเขาต้องตัดตองต้องหาบุหรี่มาให้โูบต้องทะเลาะกันเพราะบุหรี่หลายครั้งหลายคราวเคยทะเลาะกันแล้วเคยเคยเป็นภรรยาต่อ ภรรยาต่อโูกตัวเพอเขาเริ่มได้เขาอยสองสารภรรยาเกิดความรักเกิดความเห็นอกเห็นใจเขาภรรยาเขาก็มอกว่าโอ้พ่อไม่โลูกเป็นยังไงตอนนี้เลยซื่อไม่แต่ผ้าถุงมาให้ซื่อเชื่อมาให้ซื่อเอสื้อซื่อผ้าถุงมาให้เนี่ย <c oughs> เกิดความเห็นอกเห็นใจ <c oughs> ถ้ามันละอะไรได้ที่มันเป็นความชั่ว ที่เคยทําผิดผิดถูกถูกกับตัวเองกับคนอื่นล้วก็เกิดการเปลี่ยนแปลงก็เกิดความเห็นอกเห็นใจกันะเกิด ค, ความรักกันมีแน่นอนคนเคยกโกรธกันก็าหายกโกรธคนเคยเกลียดกันก็าหายเกลียดคนเคยถูกทอดทิ้งเคยทำอะไรต่อกันที่ไม่ดีไปไหน ก็จะใช้หนี้ใจใช้หนี้สังคมแม่แม่ไดใช้หนี้ของคนที่โลกโกดเขาตายไปแล้วเราก็ใช้หนี้คนอื่นกันมันคนหนึ่งที่เขาเป็นนักเขียนเขามาปฏิบัติธรรมแล้วภัญญาเขาเป็นคนที่ป่วยสังคมช่วยเหลือ เ่อสังคมช่วยเหลือเขาช่วยสังคมไม่ได้ฮัโลโหลไปช่วยใครจะไปช่วยใครเท่ที่มันจะช่วยได้สองมูนแบบก็เลยบอกว่าขออุทิศชีวิตเพื่อเขียนภาพเขาบอกเขามาสองสมวันนะเราจะขออุทิศชีวิตเพื่อเขียนภาพในโบสถ์ฝาผนังโบสถ์วัดหัวขถ เพราะว่าถวัดภูเขาทองก็ถือว่าเป็นส่วนรวมครับเรจะขอเขียนคาบถวายให้โบสถ์วัดภูเขาทองเพื่อใช่หนี้สังคมอะมันก็คิดไปกันก็เองแม้แต่การปฏิบัติธรรมไนะไม่ได้ใช่อะไรก็ตาม <c oughs> จะใช้ชีวิตที่ไม่เบียดเบีนยนใครจะมีลมหายใจอยู่ดี่เดอนดีหรือก็อจะพยายามใช้ชีวิตที่ไม่เบียดเบีนยนใครมันเป็นความดี มาปฏิบัติทำก็นําไปฝากใครต่อใครผู้หญิงสามีภรรยาก็นําไปฝากสามีภรรยาผู้มีพ่อ ม, มีแม่ก็นําไปฝากพ่อแม่ผู้มีลูกมีหลานก็นําไปฝากผูกฝากหลานผู้มีเพื่อนมินิดก็นําไปฝากเพื่อนฝากนิดถ้าไมน้อยก็เย็นให้พอดูกลับไปบ้านก็แม่ก็เยน็นคนพ่อก็เย็นกเก่าสามีภรรยาก็เย็นกเก่า โลกต่อเย็นกว่กว่อนมันก็กระทบในทางที่ดีเป็นผลกระทบมันต้องดีแน่นอนเรามีสติเรารู้สึ ก, กเราเลึกได้นะก่อนปูดก่อนทำก่อนคิดเลยหนะ้าดำําเครียดเคยโอ้ว า, วามผลผัผลแล้งก็หยุดจุดเย็นเย็นเราได้คอยได้ทนะาให้คนอื่นวางใจ เห็นหนาเห็นตาก็วางใะมันเป็นไปทางนองนี่แหละการปฏิบัติธรรมมันไปเอากัดไปเอาสังคมไปช่วยสังคมไม่ใช่หนีผู้หนีคนไปช่วยกันไปบอกกันไปทําให้ดูอยู่ให้เห็นพูดให้ฟังไปชวนกันปฏิบัติธรรมชวนกันเจริญสติ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 เกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นมาอย่างถูกต้องเพราะเรามีสติเรายกนิสร้างจังหวะเราลูกักตัวอยู่ดีๆอ่ามันเกิดอะไรขึ้นมามันก็ไม่ใช่ความรู้แล้วเราก็กลับมามาสร้างความลูจักตัวทุกครั้งที่มันไปทางอื่นแล้วก็กลับมาลูจักตัวบางทีเราจะเดินอยู่เราจะล้ไปทางอื่นแล้วก็กลับมา เดินให้มีความรู้สึกตัวอยู่ทำอย่างนี้มันเป็นการพัฒนาอยู่ในตัวหรือว่าพัฒนาอยู่ในตัวรักความชั่วทำความดีอยู่ในตัวอิด ก, ก็บริสุทธิ์ไปเรื่อยๆคอยสะอาดไปเรื่อยๆพอมันหลงไปกับลู่เนี่ยหลงกัชักแล้วเปลี่ยนแล้วเอาออกแล้วความหลงเอาความหลงออกแล้วมีความรู้เข้ามาแทน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 มันทะลุทะลวงได้มันมีมากยานเนี่ยเมื่อมันเกิดความคล่องหลายอย่างก็เกิดพลังแห่งยานปัญญาทำให้ข้ามพน้นความโลภความโกรธความหลงได้จริงๆก็ ยกมือไหว้ตัวเองได้ถ้ามันผ่านมาได้ไม่ใช่ว่าเราจะมีอะไรก็จะมีอยู่นะมันก็ไม่ใช่ ม, มีความโกรธก็โกรธจนตายมีความหลงก็หลงจนตายนีความทุกข์ก็ทุกข์กจนตายมันไม่สมควรเมื่อเรามาดูเข้าจริงๆแบบขนหัวลุกผลหัวลุกมันเราจะเกลียดที่โคนอยู่นั่นจนตายหรือ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 แล้วก็ลูกก็มาดูดนมเองเมื่อมาดูดนมแล้วมันก็คานออกไปเล่นมอมแมมมาเล่นมอมแมมป่าเปรอะเลอะเทอะข้ออันโน้นอันนี่มาเล่นไม้ ก, กินแล้วก็คานมาดูดนมแ ม, แม่แม่ก็นั่งอยู่เฉยๆนะเราทำได้ไหมนะว่าเราทําได้ไหมใครเลี่ยงลูกแบบนั้นใครทําได้นะทาได้ปะอะ พอได้พอได้รับรองว่าพอได้เอนี่ยจะไป ท, ไาไ ท, ไทําได้ยังไงทําไมจึงทําบอได้ความเมตตาสงสารการรับผิดชอบการรับผิดชอบในโลกรับผิดชอบต่อโลกคนชกปกก็เอาไปล้างโอ๊เอมือมันเตือนโคตรเอาไปล้างทันทีทัน ท, ท, ทีโลกมันขี้ก็ให้มันเกียยขี้ดันแหละนะเพเนี่ย เรามาเป็นคนศาสตร์เราไปเห็นอย่างนั้นมันเป็นไรฉันใดก็ดีกางปฏิบัติทรรอันนั้นเป็นเรื่องของภายนอกเรื่องภายในน่าเกลียดกว่านั้นเช่นความหลงอย่างนี้นมันเปรอะเพื่อนนะอยู่ดีๆมันสร้างความโล่งอยู่ดีๆมันผุดคิดไปโอ๊ยฝนหกลุกโอ๊ยไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วกลับมากลับมากลับมาลูดสึกตัวเนะลูดสึกตัวเนี่ ย, กกยแก้วเลยบ้านมี ถูกต้องถูกต้องตัวรูดึกตัวตัวรูดึกตัวเลยเป็นการละความทั่วเป็นการทำความดีที่สมบูรณ์แบบนั่งอยู่เฉยๆก็ทําบุญนั่งอยู่เฉยๆก็สั่งกุศลอ่ามันเป็นเลยใจดีใจงามไปเรื่อยๆทำความชักข์ทำความดีอยู่เรื่อยๆความรู้สึกตัวก็วเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆความหลงก็น้อยไปเรื่อยๆไป ความช่วงก็ละไปโดยนรูติตัวดีไมด่ดีความโลภความโกรธความหลงอะไตั้งไม่มีทีดให้ตั้งตั้งไม่ติดนะมันก็มีความดีเพราะไม่โลภพไม่โกรธไม่หลงเขามาแทนกุศลมาแทนเอากุศลเสื่อมไปมันก็เกิดคุณภาพคุณธรรมขึ้นมาเห็นหนกเห็นใจ โดยเพราะจะปรากฏชัดที่สุดคือคุณพ่อคุณแม่คุณครัวจานแต่เมื่อไม่ปฏิบัติยังไม่คิดเห็นเท่าไหร่คนพ่อคุณแม่ยังเฉยอยู่พอมาปฏิบัติทำเห็นรูปเห็นนามเนี่ยโอ้ยน้ำตาไหลสงสารตัวเองสองสารพ่อแม่เราทำให้ใครเป็บทุก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 เ ร, เราเบียดเตียนตัวเราสงสารตัวเราสุปลีกินเล่าเลอเขียวเตเล่ล่อนเลยน้าตามันไหลไม่ร้องให้นะแต่น้าตามันไหลสงสารนอกจาก น, น่าก็สงสารพ่อแม่เราไม่รู้เราไม่รู้จักไม่รู้จักบุญไม่รู้จักคุณยังเฉยบางทีเอาความทุกข์ไปให้พอ่อให้แม่ด้วย เราไปเเลียนรเราไปรู้จักตัวพอรู้จักลูกจากนามโอ้เริ่มใช่นี้แล้วปะบอกกับตัวเองเอ๋อลูกนะลูกตั้งแต่เป็นรุ่นเป็นก้อนตั้งแต่ปลายเล็บเท่าจนถึงศีสษะเส้นผมจะไม่ใช่ลกูกทําำความชั่วเด็กขาดน้า โดยความรู้สึกความคิดจะไม่ใช่นามทของชั่วใช่นี่แล้วปั๊จะทําแต่ความดีใช่ลูกทำความดีใช่นามทำความดีนั่งอยู่เฉยๆก็ทำความดีไ ม, ม่เปลี่ยนลราหายใจเข้าหายใจออกก็ทำความดีทำความดีกับลมหายใจ ทำความดีกับตากับหูกับจมูกลิ้นกายใจโลกเราจิตเสียอมีโอกาสก็ทํากันดีความดีจากสิ่งอื่นและถุกอย่าโดยไม่ยากมีอะไรก็เมตตามาก่อนความม่าเมตตากรุณามาก่อนแต่ก่อนต้องความยินดียินร้ายมาก่อนความรักความชังความพอใจไม่พอใจมาก่อนพอเห็นโลกเห็นนามเล้วโอ้เมตตากรุณา เห็นโดเก็นใจมาก่อนเลยสติมาก่อนใครทั้งหมดเลยเอาที่เข้าทางนะเห็นทุกเห็นลูกทุกเห็นน้ำทุกทุกของลูกทุกของน้ำโอ้ใช่นี่แล้วพัดไปไหนในในแล้ ว, ลวสมมุติมันหยัดวัตถุอาการต่างๆที่เราเกี่ยวข้องในตัวนอกตัว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 ทำไมจะเรียกว่าไม่เรียกว่าบุญใจมันดีกว่าเก่าเนี่ยมันมีแต่เมตตากรุณาเนี่ยมันมีแต่ความให้อภัยกันอยู่นี่นี่มันเป็นบุญแต่ก่อนให้อภัยอะไรก็ไม่ได้เวทเพียนตัวเองให้ความโกรธนอนอยู่กับเราข้ามวันข้ามคืนแบบนี้มันไม่เป็นอย่างนั้นโอ้มันเป็นบุญใจมันดีกว่าเก่าใมีกุศลฉลาดออกจากทุกเป็นมีทุกเท่าไรก็ปล่อยไปเท่านั้น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 ต้องถ้าเป็นความสุขก็เป็นความสุขก่อนใครก่อนใครทั้งหมดถ้าเป็นการใช้นเนีก็ก่อนใครทั้งหมดเอาละสามารถพูดออกมาเลยว่านั่งอยู่นี้ไปแม่เราอยู่นู่นบ้านโนนเราปฏิบัติธรรมเรานั่งอยู่นี้พูดออกมาในหัวใจว่าโอ้แม่คุ้มค่าแล้ว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 ความจริงมันต้องสัมผัสได้ต้องสัมผัสได้อย่างน้อยเราก็ต้องมีคุณภาพคุณธรรมอย่างนี้ขึ้นมาในชีวิตจิตใจเราถ้าจะเป็นธรรมที่อยู่กับพระพุทธเจ้าก็มาจะคิดอยู่ในหัวใจเราสักนิดหน่อยเกิดความแมตาพุนะันเกิดคิดเกิดสมนึกขึ้นมาแล้วก็ทม อาจจะเป็นพุโทโธหรืออาจจะเป็นพระยังไงอาจจะบอกตเว่าโอ้ความเป็นพระเป็นอย่างนี้ความเป็นเทวดาเป็นอย่างนี้อย่างนี้ความเป็นพรมเป็นอย่างนี้อย่างนี้มันก็ต้องต่างเก่าคนเพราะว่าเก่าในการปฏิบัติธรรมนะ ไม่ใช่เพ้อฝันไม่ใช่สุ่มไม่ใช่ เ, เป็นเหม็นเราเจริญสติเนี่ยเพราะเราสรัมผัสตายอยู่นิมือขึ้นรู้สึกตัวเดินจงกรมรู้สึกตัวหายใจเข้าหายใจออกรู้สึกตัวเจ้เนี่ยคนมีความรู้สึกตัวเนี่ยจะว่ายังไงไม่ใช่คนหลง แล้วเวลามันหลงเราก็รู้สึกตัวเนี่ยเราทำกับความหลงมาเป็นความรู้เนี่ะนี่เป็นงานเป็นการของเราเป็นตัวปฏิบัติจริงๆไม่ใช่กินตะยานถ้าเห็นอะไรก็เห็นจริงๆเห็นความหลงก็เห็นจริงๆเห็นความทุกข์ก็เห็นจริงๆเห็นความสุขก็เห็นจริงๆเห็นพยาบาทก็เห็นจริงๆ เราสร้างความลู่มันน่ม า, นา ม, มันนิ่งไม่เหมือนความหลงความหลงมันน่า ม, มันเป็นคลื่นความหลงมันเป็นคลื่นของมันเกิดน้าที่วันในคลื่นความลู่มันกิดน้ามันนิ่งน้านิ่ ง, งก็ย่อมมองเห็นตัวปลาหรือเห็นปลามันบ้อนปลาบ่อนแบบนั้ น, นปลาอะไรหน้ามนิ่งคนลู่เจ้ตัวมันหน้ามนิ่ง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 ช่วยเราอยู่ระเบียบวินในเพศวัยแบบฉบับต่างๆที่เราได้มาจากพุทธศาสนามากมายสิ่งแวดล้ลอมที่ทาให้เกิดความดีเยอะแยะมีพิจุสงฆ์เวลบาโฉมมีวายสิตาวัดว่าอารามมีระเบียบมีวินยัยช่วยเราเป็นเกาะเป็นพิมพ์ หล่อหลอมพวกหล่ออ่านสวดมนต์ไหว้พระเยอะแ ย, ยะหมดเลยเราไปใช้ดุนดุนก้อนกอนดุนดุนดอนดอนไม่ใช่มาเรามาสวดมนต์ไหว้พระสาธยายธรรมอรหังสมมาสัมพุทโทธ พ, าาพุทโวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอหรหันโอ้อหรหันคือใครผู้ไกลจากทิเลศทิเลศคืออะไรคือสิ่งที่ทําให้จิตใจเศร้าหมอง อะไรที่มันทําให้จิตใจเศร้าหมองเราก็เห็นเราก็ทําแล้วมันเปื้อนเราทําให้มันสะอาดหัวงงเอาหัานอนเราทําให้เกิดความโลภสตัวปัญญาบาทที่มันคิดขึ้นมาเราปล่อยเราวางในความโลภสตัวความมลคะเกิดขึ้นมามีความโลภสตัวความตั้งเล่สงสัยเกิดขึ้นมาในความรโลภสตัว ความคิดพงชาติเกิดขึ้นมาในความรู้สึกตัวเอาอย่างนี้จะพืธธ้นจะเผยไปความรู้สึกตัวเป็นหลักสร้างให้มีสร้างให้เด็กสร้างให้มันเด็กเป็นกรรมต้องทําตรงนี้ให้มันสงกับว่ากรรมมาถาังมันจะมีอารมณ์เกิดขึ้นให้เราเห็นเป็นเรื่องเป็นเรื่องไปไม่ใช่ไม่ใช่คนนั่งหลับตาจะไม่เห็นเลย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 แต่มันน่วงบางคนก็กบเปลือนด้วยยัยงนั่งสับกระบอกอยู่ปันเทศจะดูที่มันตื่นขึ้นมาดูมันลู่สึกเลินตาขึ้นยืดตัวขึ้นวางใบหน้าใหม่ตั้งใจใหม่ให้มันลู่สึกตัวอย่าไปกบเกลือนปิดบังอำพรางสติต้องเป็นสติลู่สึกตัวต้องเป็นลู่สึกตัวหลงก็ต้องเป็นหลง ไม่ใช่เครื่องหลงเครื่องรู้การทำความเขียนการจเจริญสติต้องจับให้มั่นขั้นให้เหนียวโบราณทันว่ามันจึงไม่หลุดไม่หล่นตอนที่ความหลงน่าจะเกิดความรู้ก่อนหลงไปอยู่ดัานไหนความหลงก็เกิดความหลงความหลงแทนที่จะเกิดความรู้ทำาอคนละมุมก่นเห็นความหลงอะ เป็นเรื่องดีเห็นความทุกข์ในแบบเป็นเรื่องดีขอให้มันเห็นอีกงจริงแต่ถ้าเครื่องลูกเคองหลงมันไม่ดีนะตรงคืนแทรกซึมไปด้วยการแทรกซึมเลยมันเป็นไปได้แทรกซึมไปตัวความหลงก็หลงเป็นนิตสัยแทรกซึมไปตัวความทุกข์ก็ทุกเป็นนิตสายกว่า น, นี้เราไม่ให้มันแทรกซึมเรารู้จักตัวคนละมุมกันเลยวันหน้ามือหลังมือเปลี่ยนมา อาจเตียนมีความเพียรมีความพยายามใส่ใจตรงนี้แล้วลู่จุกตัวลู่สุดตัวเวลาอะไรมันเกิงขึ้นว่าลู่จุดตัวกลับมาให้ไบใบถ้าใบใบก็ชาหน่อยก็พยายามทําให้มันใบใบกลับมาลู่ใบใบอาทีมันไปคิดคิดไปคิดไปแล้วแต่กลายเป็นกลายเป็นอารมณ์ มันไม่ไวมันยาวเกินไปพอมนคิดไปเรากลับมาลแล้ ว, ว่าไวไวอยู่ถ้าไปแล้วจนไปเกิดยินดีจนไปเกิดกินไร่จนไปเกิดความชอบความไม่ชอบมันเนิ่นชา้าไปแล้วทางคนคงไปแล้วมันไม่ตรงไม่ด่วนเสียเวลากนะารปฏิบัติธรรมบางทีก็ต้องอเย็น เห็นไหมหลวงพ่อฟังน่วนเทพหลวงปู่เทียนนะไปปฏิบัติธรรมทีแรกพอทำไปทำไปโอ้ยขี้เกียจหลวงพ่เทียนคนนะั้ไม่อยากทำหรอกนอนจะนอ ย, อยนคอนเถอะแล้วก็นอนจริงๆหลวงปู่เทียนจะไมเป็นคราวญาวนะ่ะใส่กางเกงขาสัน้นปฏิบัติธรรมนอนจะ น, นอนพอนอนแล้วตื่นขึ้นมาจะค่อยทำไม้พอตื่นขึ้นมา ก็มาทําอีกก็ขี้เกียจอีกก็นอนอีกนะหลวงปเทียน น, ะนอนอีกเอา้าตื่นก็นเอาขุยเอามาจริงๆกันนะนั่งยกมือสังจังหว่าั่างจังหวาไปไม่นานเนี่ยเพราะเจ้าจริงๆนะการนอนเพื่ออะไรนอนเพื่อจะทําไม่ใช่นอนเพื่อแค่นะเราปฏิบัติทำก็เหมือนกัน มีโอกาสนอนก่็นอนแต่ว่านอนเพื่อจะทํางานให้ใช่นอนเพื่อที่แทะอะไรใส่พักได้เวลาทําไปทําไมก็พักได้พักเพื่อจะให้กําลังมันเกิดใหม่เพื่อจะสู้วันทำง่วงกว่านอนเลยวะนอนแต่ว่ากลางคืนนอนให้พอนะวันในหลวงพ่อนอนตั้งแต่ห้าโมงครึ่ง ไปไปชมนั่งหลังคดหลังงอเมื่อไรลครย่อยทั้งวันไม่งเหมือนบ้านเราทำงามาถึงวันก็ถ้าเหนื่อยแล้วปวดปวดปวดต้นขาสัมทัาปวดข้อปวดแขดนรีบอาา่านมน้านอนเลยตื่นเที่ยงคืนเลยเดีกมันก็แล้นี้นก็หายแล้วนอนเพื่อจะทำงานฮะนอนเพื่อจะเป็นอารมณ์เป็นคนีิแรนไะม่ใช่ลักษณะของการนอนอาจจะต่างกันนะ เราทํากลางเซียนบางคนก็นอนเพื่อขี้เกียจขี้ค่านมันก็ไม่ได้นอนเดี๋ยวเพื่อความขี้เกียจขี้ค้านนอนเพื่อจะทํางานอันนี้ได้ไม่เป็นไรนะกลางนอนกลางคืนก็นอนให้พอถ้าครึ่องนอนเอาเครื่องหลับเครื่องลู่เครึ่องหลับเครื่องลู่พู่กันไปมันไม่ดีหรอกเหนื่อยมากๆก็พักผ่อนนะแต่พอผู้มีอายุนะไปนั่งชั่จนหลังคดหลังหอ่อเดี๋ยวมันเ็ดหลัง จะไม่เอางานเอาการพักผ่อนได้แต่มันมีกําลังแล้วมาทำมาลงโปรเทนไปปฏิบัติทและวท่านก็นอนสองรอบสามรอบหลังจงมาทําพอทําก็ทาจริงจริงอย่าง น, นีพักก็พักนอนก็นอนทําก็ทํานี่การปฏิบัติธรรมไม่ใช่เรื่องยากที่เราจะทําไม่ได้หรอกที่เกียดขนาดไหนก็ทําได้ลองเลือตัวนเลยมันเป็นคนละอันเดอยด ความรู้กับความหลงเนะี่ยมันชัดอยู่คนละกองกันอยู่อเวลาบางทีก็อยู่ตรงกลางยังไม่ทํายากเข้าไปอยู่ในความหลงเอาไวต้ตัวมากความหลงความรูกก้ไวต้ตัวมากเราจะมานอนเนี่ยพักผ่อนเนี่ยเอาแรงสักน้อยอะรขอเติมเข้ว่าไปจับความรู้แม่มันจะหลงก็ไปจับความรู้ความหลงจะดึงไปแล้วก็จับความรู้เหมือน มันทำอะไรนี่ยน <fifty. S 1> <basically. S 2> ี the the ่คือนี่ตัวหลงนะอ่ตัวลูดเนี่ยตัวลูดเนี่ยตัวลูดมันอยู่กับตรงกลางเนี่ยตัวหลงมันเอาไปอตัวลูดเอาขึ้นมาอหลงไปเอาไปลูดขึ้นมาปฏิบัติขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาอย่างนี้นะปฏิบัติทำมันไม่หนักอะไรมันลงไปขึ้นมามันลูดเป็ตัวเนาะขึ้นมาแล้วมันลงไปก็ขึ้นมาแล้วลูดเป็ตัวมันได้ถึงที่ช่วยเราเยอะแย อันนี้บทรูปแบบมิมิช่วยได้เยอะให้แต่ตบขานก็รลู่ได้แต่มันว่วงมากๆก็ตกแรงๆอย่าไปทาค่อยๆบงคนพอมาง่งก็อ่อนแอออกแปดออกแปดมัวแอร์ได้ไปขึ้นันปึบปึบตกขาแรงคึ๊บเข้นมาเข้ากันมาบางคนพอ่องก็ออกแปะออกแปดอนได้ดีต้องขึ้นแรง วันนี้ก็พ่อสิ้นแม่สินเรจะมาสมาทานสินทรอมกันประกาศสิน